นางภาวนาหมูเนี่ยต้องอดทนนะหมูกวนเลยมีแต่ไอ้เคาแขกๆนะนุ่นไปอบรมที่วัชรธรรมหมอปีรถเขาจัดพวกพวกทำท่าว่าจะมีไอ้มีอะไรเขาแคากๆเนี่ยเขานุ่นให้อยู่ใกล้เขาไม่ให้มาเขาไม่ให้เข้ามาในศาลา ใครรู้สึกว่าจะเป็นวัดเป็นอะไรรู้สึกจะไอ ใ, ใจจามอะไรอยู่เรื่อยอยู่บ่อยนู่นก็ให้อยู่ข้างนอก น, นัอันนี้เราก็ไม่รู้เดอกเพื่นเล่าให้ฟังเองเพื่นบอกว่ามันขวนกัน <c ười> ไอผู้กลั่นไอก็กลั่นจะเป็นจะตายอ่ะอันจะปล่อยออกมากับโมก็กาลังนั่งภาวนาอยู่ปล่อยมาแรงๆกับโม ด, ดุ่งอีกนะ สะดุ้งแล้วนะเสียงมันกระทบในสะดุ้งเลยมันหัวก็เป็นคลื่นมาก็เพิ่มโยกเลตัวโยกเลยนะผู้กำลังภาวนาเข้าสมาธิอยู่เนี่ยไปทำเสียงดังบอดีเลยบอดีต้องระวังเสียงค่อยๆก็ดังแท ะ, ทะ จิตมันละเอียดความเพียรเข้มอยู่ข้างในพอมีอะไรไปกระทบมอนก็เหมือนกั บ, กบไปกระแทกอย่างแรงเเกิดจังหวะไม่ดีเป็นเสียสติเสียอะไรขึ้นมาก็ก็น่าจะเป็นได้ เราดูไม่ต้องสังเกตใครสังเกตกับกับตัวเองนี่นแหละบางทีหมูปล่อยไอมาแบบไม่ไม่ได้ปกป้องปากเลยนะปล่อยไอมาเต็มแรงเต็มที่เนี่ยโอ้โหเป็นคลื่นมากระทบอย่างแรงต้องระวังแต่การนั่งภาวนาหมูนี่ก็ได้ประโยชน์นะ บางคนถ้าอยู่คนเดียวปันนี้เหยียดยาวไปตั้งนาล้มั้งนะก็ยงังไงายท้องให้เขาเห็นความละอายนี่เคช่วยประคับประคองเราได้ดีการนั่งภาวนาโม่ก็ได้ประโยชน์อยู่แต่สำหรับคนที่ทา่านคล่องแล้วไปนั่งคนเดียวก็สะดวกมานั่งกับโม่ก็ได้ แยกใจสะดวกเท่ากับคนเดียวก็ไม่สะดวกหรอกแต่ก็พอนั่งได้ไม่ให้สงบก็พิจารณาเอาพิจารณาเสียงพิจารณาจอไปที่เสียงนั่นแหละเสียงไอเสียงจามเพนั้นมีอะไรดกมีแต่สิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเนี่ยพวกเรานั่งต้องมองแต่งแมงอยู่เนี่ย มันไม่มีอะไรคงที่สักอย่างแหละดูแต่ววยมันเปลี่ยนไปดูวัยแต่ละขณะของวินาที น, นาฬิกามันเดินวินาทีแทะกแท๊แท๊แนั่นแหละทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละนาฬิกามันเดินน่ะแท๊แท๊แ แ, แ, แในกายของเราในร่างกายของเราก็เปลี่ยนไปอย่างนั้นนะมันก็ดูดมันก็บีบมันก็เบ่งมันก็ ขับมันก็ทายร่างกายของของเราเนี่ยร่างกายอย่างช้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรร่างกายเนี่ยยังเปลี่ยนช้าสิ่งที่เปลี่ยนเร็วกว่านั้นก็ยังมีอีกคือจิตจิตนี้แป๊บเดียวขณะจิตหนึ่งแป๊บไปแล้วแป๊บไปแล้วแป๊บไปแล้วร่างกายเราดูเหมือนเข า, เขาจะเปลี่ยนช้าแต่จิตนี้มันจะเปลี่ยนไปเร็วมาก แต่และขณะถ้าเราไม่มีสติตามรู้ทันมันจักมันเปลี่ยนไปเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนไหนเมื่อไหร่มันเปลี่ยนไปแต่ถ้าเรามีสังเกตสังการรู้อยู่บ้างเราก็พอจะทันมันบ้างเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนความนึกคิดของจิตข้างในมันเปลี่ยนที่เราบริกรรมต้องการให้จิตสงบ ที่เราบริกรรมต้องการให้จิตสงบจิตสงบก็คือจิตไม่มีอารมณ์ก่อกวนแต่ตัวจิตเองก็ยังเปลี่ยนตัวภาวะของจิตเองก็เปลี่ยนใครไปดูไฟท์ไฟมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมอ จิตมันสงบก็คือจิตมันไม่ขึ้นรับอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นอารมณ์ที่มันตกค้างอยู่ในจิตเนี่ยจิตมันไม่กระดุกกระดิกพลิกแพลงไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นแต่ตัวมันเองมันเปลี่ยนภาวะของมันมันเปลี่ยนเนี่ยคือจิตคือจิตที่ จิตที่ยังชําระไม่ได้ยังดัดแปลงไม่ได้ยังขัดเกลายังไม่ได้มีความเปลี่ยนในตัวเองไปอยู่อย่างนั้นแต่ถ้าชําระได้เป็นหลักธรรมชาติดังเดิมที่หลวงตาท่านเมตตาสอนเอาไว้จิตชําระสิ่งที่เป็นกิริยาอาการสิ่งที่เคลือบแฝงที่เป็นรูป ที่เป็นเวทนาที่เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหดเข้าไปอยู่เฉพาะจิตหดเข้าไปอยู่เฉพาะจิตจนกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยมีก็พิจารารู้เท่าทันสละสลัดออกได้ออกได้หมดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ท่านว่าเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ ผู้รู้ที่บริสุทธิ์นี้ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนท่านว่าเที่ยงท่านว่านิพพานเที่ยงนิพพานเที่ยงไม่เปลี่ยนท่านว่าหยุเที่ยงท่านว่านิพพานเที่ยงไม่เปลี่ยน แต่สำหรับจิตที่ยังชําระไม่ได้นี่ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนโดดไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์มาแหละนอกจากเกี่ยวข้องข้องกับอารมณ์แล้วก็ตัณหาอุปาทานก็ยังมีเต็มแปร่อยู่ตัณหาอุปาทานนี้ก็ยังไปท่องเที่ยวหาที่เกิดมาอีกอยู่มีพบน้อยมีพบใหญ่ที่ยังจะต้องไปเกิดอีกโยมันไม่ใช่ตายแล้วศูนย์เหมือนที่หลวงตาทันเทศทันเทศเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วศูนย์ ถ้าเราฟังสังเกตตามไม่ดีท่านพูดถึงว่าความเชื่อของคนบางคนเชื่อวัดตายแล้วเกิดบางคนก็เชื่อวัดตายแล้วสูญเชื่อไปตามความคิดเห็นของตัวเองแต่มันไม่ตรงกับหลักความเป็นจริงความเป็นจริงมันเป็นอีกอย่างหนึ่ง ความคิดนึกคาดเดาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นคิดว่าจะเป็นอย่างนี้แต่แท้ที่จริงมันไม่เป็นอย่างที่เราคาดเราเดามันเป็นอย่างอื่นของมันคิดว่าตายแล้วเกิดนี่อันนี้ก็ค่อนข้างเข้าเข้าหลักที่ว่าตายแล้วศูนย์นี่ค่อนข้างผิดหลักแต่ว่าไอ ไอมติคติที่เขาถือว่าตายแล้วเกิดไม่ใช่ว่าตายแล้วเกิดเหมือนที่พุทธเจ้าท่านสอนนะเขาบอกเขาบอกตายแล้วเกิดเขาว่าเคยเกิดเป็นอะไรก็เป็นอย่างนั้นเช่นอย่างพวกเราเกิดมาอย่างเงี้ยเคยชื่อตูอุเคยชื่อตูหลายเงี้ยเกิดมาก็มาเกิดอย่างนี้แหละไปเกิดที่ไหนก็ชื่อตูอุชื่อตูหลายอยู่อย่างงี้แหละ <laughs> <laughs> เขาว่ายอย่างงั้นนะอ่า เคยเกิดเป็นคนอยู่ดีมีสุขคนร่ำคนรวยเกิดมาอยู่ดีมีสุขคนร่ำคนรวยเคยเกิดเป็นคนทุกคนยากเกิดมาเป็นคนทุกคนยากเคยเกิดที่สูงก็เกิดที่สูงเคยเกิดที่ต่าก็เป็นที่ต่าอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนเช่นอย่างอัตภาพนี้เคยได้ยังไงอัตภาพหน้าที่จะไปเกิดดีก็ได้อย่างนี้นี่มันเชื่ออย่างนี้นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะ เชื่อแบบนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันเชื่อว่าเกิดอยู่แต่พุทธเจ้าท่านสอนว่าตายแล้วไปเกิดอีกนั่นแหะคือยังมีกิเลสพาไปเกิดยังละตัณหาอุ ป, ปาทานยังไม่ได้กิเลสพาไปเกิดแต่มันไปเกิดอ่ะมันไปเกิดตามแรงกรรมกิเลสไปเกิดไปเกิดตามแรงกรรม แรงกรรมเนี่ยเป็นตัวนำเป็นพลังพาพาไปเกิดถ้ากรรมดีมากก็ไปเกิดในคติที่ดีถ้ากรรมไม่ดีมากก็ไปเกิดในคติที่ไม่ดีนี่พุทธิยาทัรมสอนแท้ที่จริงเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนี้เพราะจิตของเรามันสะสมสะสมทั้งดีสะสมทั้งไม่ดีถ้าสะสมบุญมากอ่าไม่มีอะไรขั้นในระหว่างที่เราตายเนี่ยไม่มีอะไรมาขั้น ก็ต้องได้ไปสวยบุญแหละแต่บางทีเกิดเป็นนึกถึงบาปกรรมอกุศลที่เคยทําอกุศลไม่มากนะักอกุศลเหล่านั้นก็มาขั้นได้ในระหว่างที่เราใกล้จะตายเพราะฉะนั้นใกล้จะตายท่านจึงว่าเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเอาไว้ต้องระมัดระวังเอาไว้การฝึกภาวนาเนี่แหละเป็นการมาฝึกจิตเอาไว้ ไม่งั้นเวลาใกล้จะตายแล้วจิตมันเกาะเกาะน้นเกาะนี้เกาะอะไรก็ไปเกิดเป็นนั้นเกาะอะไรก็ไปเกิดเป็นอนั้นบางทีทําดีมามากตลอดชีวิตเนี่ยทำดีมามากแต่ว่าไปทําชั่วนิดหน่อยอ่าไปทําชั่วนิดหน่อยยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นอ่าเช่นอย่างนางมันลิกาก็แล้วกันอ่ะนางมันลิกากพระมเหสีของพระเจ้าปเสณนทีโกสนเนี่ย นางมริกานี่เป็นคนฉลาดนางมาริกานี่เป็นคนฉลาดแต่ก็มีเล่ห์เหลี่ยมอยู่บ้างอ่านางมาริกาเนี่เป็นคนฉลาดมีอยู่ช่วงหนึ่งพระเจ้าประเสิทธิโกศลเนี่ยรักเมียของคนอื่นตัวเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปเลียบพระคนครเนี่ย ไปเรียบพระนครคือไปเที่ยวช ม, ชมเมืองอะไปก็มีหญิงคนหนึ่งเป็นภรยาของคนอื่น อ, อยู่บนเรือนพอดีเขาได้หันมาทางหน้าต่างพอดีมาเห็นเพื่อนได้เหลือบตาไปเห็นเท่านั้นเองหญิงคนนั้นก็หลบเข้าไปเห็นแวบเดียวแค่ น, นั้นน่ะหลงรักติด อ, อกติดใจพระเจ้าปัสสินทิกสนเนี่ยหลงรักติด อ, อกติดใจเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับ อเห็นแค่นั้นเองไม่ได้ชัดเจนนั่นแหละแสดงเอาหญิงคนนั้นงามมากพระรายาเห็นแป๊บเดียวเนี่ยติดใจเลยเพราะงั้นนะบอกเอามาให้ไปดูหนะ้าบ้านหลังนั้นนะประตูหน้าต่างนั้นนะมีผู้หญิงคนนั้นนั่นนั่นไปดูนะแต่ยังโสดอยู่เอามาให้เราเนะียยังโสดอยู่เอามาให้เรา ยังโสดอยู่เอามาให้เราแต่ถ้าเขา ม, มีสามีแล้วบอกให้สามีมาหาเราหาเรื่องจะหาเรื่องจากแกล้งผัวเขาแล้วก็ยึดเมียอะไรเนี่ยพระเจ้าปเสนที่โกรสนด้วยความรักในผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่ลาบอยู่นั่นแหละเราร้านที่สุดเขาไปดูแล้วก็มีสามีแล้วเขาก็เลยเ็เลยพาสามีไปเฝ้า พาสามีไปเฝ้าความหมายก็คือให้สามีไปอยู่รับใช้ใกล้ๆชิดใกล้ชิดเพื่อที่จะได้จับผิดและเอาไปฆ่าและยึดเมียนี่ความหมายเขานะนี่ความหมายเขาทีนี้อยู่มาอยู่มาก็แกล้งแกล้งหาเรื่องแหะแกล้งหาเรื่องเพื่อที่ทจะจับผิดและจะฆ่าเลยนี่เธอจงไปเอาดินสีอรุณอยู่นู่นอยู่ที่สนโนดานนั่นอะ สานุดั้งอยู่ที่ไหนก็นไม่รู้ดินศรีอรุณไปแต่เช้าและกลับมาให้ทันเวลาเราสง่สงสง่สงน้ำจะเอาดินศรีอรุณมาแล้วก็มาผสมน้ำส่งอะไรยังไงก็ไม่รู้ดินศรีอรุณนี่คือแกล้งแกล้งชัดๆอะ่ะแหละแกล้งให้ไปนี่นายชื่อนายอะไรเนาะที่เป็นสามีของนางนั่นอะ่ะ ก็เลยโอ้เราเนี่ยกรรมแล้วมันเป็นเพราะเมียเราเป็นคนมีเมียงามเป็นอย่างนี้มันทุกอย่างอย่างนี้แหละรู้รู้ว่าพระเจ้าเป็นดินเนี่ยจะแกลง้ง <c oughs> จะแกล้งฆ่าตัวเองยึดเมียก็เลยก็เลยไปแหละไปเอาดินเสียรุนไปกับบนบานให้เจ้าฟ้าเจ้าดินเจ้าฟ้าวินยงวิญญาณวิเศษศักดิ์สิทธ์ อยู่ที่ไหนแดนใดก็ตามให้มาช่วยว่า ง, งั้นเถอะก็เลยมีข้าวห่อข้าวไปกินกินข้าวเสร็จแล้วก็อธทิตฐานแล้วก็บานโปรยให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มได้กินแล้วก็ไปพอดีมีสิ่งวิเศษศักดิ์สิทธิ์นะช่วยนะช่วยย่นระยะทางให้ให้ถึงสาโน ด, ดาษไปถึงสาโนดาษแล้วก็เก็บดอกบัวด้วยแล้วเอาดินเสียรุนมาด้วยเพื่อจะมา ทันเวลาสงสเสวิไอ้สงสงน้ำของพระราชาเนี่ยมามาก็ไปก็ถูกย่นระยะทางให้เทวดาช่วยเทวดาสงสารกลับมาเทวดาก็ช่วยอีกย่นระยะทางอีกมาก็มาถึงประตูเมืองพระราชานี่ก็แปลกมากวันนั้นนี่สั่งให้ปิดประตูเมืองแต่กลางวันซะอีก <laughs> <laughs> สั่งให้ปิดประตูเมืองแต่กลางวัน กลัวนายนี่ยจะมาทันแล้วแล้วจะผิดจะผิดกะที่กะจะของกะไว้เนี่ยนี่ยเพิ่นก็มามามาตั้งแต่ตะวันยังไม่ตกดินทันเวลาพอดีอยู่ถ้าจะเป็นส่งน้ําส่งอะไรของ พ, พ, พ, พระราชาเนี่ยปิดประตูเมืองแต่กลางวันก็เลยรู้แล้วว่าจะขอให้ถูกแกล้งแล้วถูกพ ร, ราชาแกล้งเพื่อที่จะฆ่าฆ่าแล้วก็ยึดเมีย <laughs> พ uh, ระเจ้าประสเสนกับโอ้ยหลงรักเมียไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยทั้งวันทั้งคืนไม่เป็นตาหลับไม่เป็นตานอนล่ะทีนี้ด้วยเหตุที่ไม่ได้หลับไ ม, ไม่ได้นอนนั่นแหละด้วยเหตุที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนั่นแหละก็เลยได้ยินเสียงสัตว์ได้ยินเสียงสัตว์นรกทุสนานโสโผล่ขึ้นมาจากหม้อกระทะทองแดงเนี่ยสัตว์นรกตนหนึ่งโผล่ โผลขึ้นมากับผู้ได้คําหนึ่งทุกแล้วก็จมลงไปอีกละ่ะสารนรกมันลอยอยู่ในกระตะทองแดงอะ่ะจากปากหม้อทองแดงไปถึงก้นบึ้งทองแดงเนี่ยสองหมื่นปีจากก้นทองแดงเนี่ยกว่าจะลอยมาถึงปากหม้อเนี่ยสองหมืปีไม่รู้หม้อมันลึกขนาดไหนแหละมันถูกต้มอยู่ในหม้อทองแดงเนี่ยพอมาโผล่ไอ้คนหนึ่ง ว่าจะพูดยังไงพูดไม่ได้พูดได้ทุไอ้คนหนึ่งพูดได้แค่คําเดียวสะไอ้คนหนึ่งพูดได้คําเดียวนะไอ้คนหนึ่งพูดได้คําเดียวโสทุโสะนะโสนี่ยพระเจ้าประเสียนที่โกศลก็บอกเอเสียงเสียงสัตว์อะไรแปลกประาดแล้วเกิดกลัวมากเลยที น, นี้กลัวให้ปโรหิต ท, ทายอย่างงั้นทายอย่างงี้ปโรหิตผมก็หาเรื่องที่จะเอาอยู่เรื่อยมันโอ้ไม่ได้ดอกพระองค์ต้องบูชายันต้องบูชายันอย่างงั้นบูชายันอย่างงี้ ช้างร้อตัวม้าร้อยตั ว, าตวทาสีร้อยร้อยคนทาสาร้อยคนเท่านั้นคนเท่านี้คนที่จะมาจับมาฆ่าเพื่อบูชา ย, ยัญเพื่อให้เพื่อให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพระองค์หายไปตอนนี้ก็สั่งให้เขาจัดการทำนั้นแหละเชื่อเนีกลัวตายเจ้าของกลัวตายเชื่อให้ก็จับมาจับ ช้างจับมา้าจับคนจับอะไรมาล่องงอแ ง, งจอแจเต็มไปหมดนางมณิกาเนี่ยเลยดา่ <c oughs> ดาด่าว่าไรชางโง่พระรชางโง่ตัวเองยังมีความตัวเองยังมีชีวิตอยู่แต่ในขณะเดียวกันจะฆ่าเขาจะฆ่าช้างร้อยตัวม้าร้อยตัวท่าสีร้อยคนท่าสาร้อยคนคือคือผู้หญิงผู้หญิงร้อยผู้ชายร้อย สัตนเท่านั้นตัวสัต์นี้เท่านี้ตัวจะเอามาฆ่าบูชา ย, ยัญเพื่อตัวเองนีนรอดตายนี่พระราชาโง่ทำไมพระาศาสดาท่านยังยังทรงพระชนอยู่ทำไมไม่ไปกราบทูลท่านทำไมไม่ไปถามปัญหาเหล่านี้กับท่านก็เลยนึกได้เออใช่ถูกเมียด่าถูกเมียด่าก็เลยก็เลยไปเฝ้าเฝ้าพาระพุทธเจ้าเลยไปเฝ้าพาระพุทธเจ้า พอไปเฝ้าพุทธเจ้าในระหว่างที่ไปเฝ้าพุทธเจ้าไอ้ไไไไนายที่เขาเอาดินเสียรุนกับดอกบัวมาทิ้งเนี่ยหลังจากเขาเอาทิง้งเสร็จแล้วเขาก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าที่วัดเชตวันไปเฝ้าพุทธเจ้าอยู่อยู่ที่นู้นแหละปฏิบัติธรรมรักษาศีล อ, อยู่วัดนั่นแหละอ่าพอดีพอดีพดระเจ้าปเสนที่ขอส่นสเสด็จไปเฝ้าพุทธเจ้าไปก็เห็นหนายนายนี้อยู่นั่นแหละอืมจึงเลยไป ทูลถามปัญหาผู้ดีเจ้าก็เลยโอ้ไม่ใช่ใครดอกบัวพิษสัตว์4ี่ตนปล่อยจากนารกมาคนหนึ่งกําลังว่าจะพูดทุกคนหนึ่งก็พูดได้คําเดียวทุกคนหนึ่งก็ได้คําเดียวสะณนะโสคนละคำละคำละคำแลำ้วก็จมลงไปไม่ใช่มีอะไรอย่างอื่นดอกเสร็จแล้วก็พูดประวัติย้อนหลังว่าผู้ชาย4คนเนี่ยสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นี่ พ่อแม่เขารวยมากเป็นลูกเศรษฐีรวยมากไม่ต้องทําหากินไรแหละอ่าแต่ละวันแต่ละวันอ่ะมีแต่เอาทรัพย์ของพ่อของแม่มาถลงุงอ่าไปกินไปทํายังไงเขาจะมีความสุขเนี่มยมีวันหนึ่งเขามามาเจอกันทั้งสี่สายนี่เอพวกเราเนี่ยไม่ทุกข์ยากลําบากอะไรเราไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องทําหากินอะไรอืมละ ว่าแต่ว่าพวกเราว่าเราอยู่ยังไงเราจึงจะมีความสุขนะถามกันนะเราอยู่ยังไงเราจึงจะมีความสุขไอ้คนหนึ่งก็เอ้ยสบายหายู่หากินอย่งงางนั้นอย่งางนั้นอย่งางนั้นถึงจะมีความสุขไอ้คนหนึ่งออกไปเที่ยวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะมีความสุขไอ้คนนึงก็นี่คือความเห็นแต่ละคนละคนนะสามสี่คนไอ้คนหนึ่งให้ให้ความเห็นว่าเฮ้ยสหายพวกเราเราไม่อดเงินเราไม่อดท้องเนี่ยนะเมียของใครสวยๆงามๆเราไปจ้างมา <c oughs> เปลี่ยนทุกวันก็ได้ลูกของใครงามๆไปซื้อมาเมียของใครงามๆไปจ้างมาเรามีทรัพย์มากเราไม่ต้องกลัวในสุดสองสามคนสี่คนเลยเห็นกับความเห็นสุดท้ายเนี่ยเขาเลยแสวงหาความสุขจากการไปจ้างลูกจ้างมีจ้างอะไรต่อใครกันมาบำรงุงบำเริกกรมตัวเองนี่พอหลังจากดับชีพไวชนในอัตภาพนั้นแล้วไปเกิดในนรกทองแดงน้ำมอทองแดงทั้งสาี่ตนเนี่ย ทั้งสา่ตนในขณะที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้พระยาปรสินธิ์ที่ก่อสนฟังพระยาประสินธิ์ที่ก่อส น, นกำลังเร่าร้อนเรื่องกามเสียด้วยเลยระลึกได้กําลังเร่าร้อนเรื่องกามเลยระลึกได้เพราะกําลังจะข่าผัวเขายึดเมียพราีผัวเขาก็นั่งอยู่นั่นนั่งฟังเทศโดยกันนั่นนั่งฟังเทศหลังจากพุทธเจ้าแสดงธรรมจบก็เลยระลึกได้เลยขอเลิกละเด็ดขาด ยินดีปล่อยให้เขาอยู่เป็นไม่ไม่เอามาเป็นทาตมาเป็นให้เขาเป็นไทยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ปล่อยให้บุรุษคนนี้กลับไปมีความสุขอยู่ที่ครอบครัวมีอะไรเหมือนเดิมนี่คือพระเจ้าเปเสนทนิกศลทีนี้นางมาริกานางมริกานี้เป็นคนเป็นคนออกหัวคิดทําบุญทําบุญที่ใหญ่มากเขาเรียกว่าอาสัตติสกาน อสัถิสทานเป็นทานที่ไม่มีใครทําและยิ่งใหญ่กว่าทานช้างรอ้อช้างร้อยเชือกม้าร้อยเชือกทานอนั้นเท่านั้นทาอันนี้เทา่ท า, นนนทานี้นางมารกาจัดทําบุญให้ทานตามตามตามที่พระเจ้าปเสนที่กศลนเนี่ยทำบุญให้ทานาาาทานางนางนางมรรคเนี่ ย, ท, ท, ยทีนี้สาเหตุที่นางมรกาตายไปแล้วไปตกนรกเจ็ดวัน มันมีสาเหตุอยู่อ่ามันมีอยู่วันหนึ่งนางมณิกาเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วไปทำอะไรไม่รู้น ะ, ะไปก้มไปก้มล้างล้างล้างพระบาทรล้างนักแข่งของตัวเองเนี่ยไปก้มล้างก้มเอาน้ำล้างเป็นเรื่องหยาบๆอยู่นะเรื่องนี้ขณะที่ก้มล้างล้างอยู่นั้นอ่ะมันมีหมาตัวโปรดตัวหนึ่งเยมันไปขึ้นข้างหลัง เน่มันไปขึ้นข้างหลังหมาพอหมามันขึ้นข้างหลังแล้วแทนที่จะไล่มันก็ไม่ไล่ก็ปล่อยให้มันขึ้นอยู่อย่างงั้นพอดีพระเจ้าประเสนทีิโกสนเห็นเห็นก็เลยด่าด่าด่าว่าอีชาติชั่วอีตัวไรอีอะไรแล้วแต่จะด่าแหละมาทําชั่วชาติละมกอะไรกับสัตว์กับอะไรนะพระเจ้าประเนสนนติโกสลนางนางมริกาก็เลย ก็เลยก็เลยแก้ตัวแก้ตัวก็เลยแก้ตัวว่าพระองค์พระองค์งไม่สิ่งที่พระองค์เห็นไม่จริงว่างนั้นสิ่งที่พระองค์เห็นนั้นไม่จริงห้องนี้ตรงนี้เนี่ยอห้องนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าใครเข้ามาแล้วจะเห็น จะเห็นลางแปลกแปลกแบบนี้แหละจะเห็นกิริยาแปลกแปลกแบบนี้แหละจะนกิริยาแปลกแปกแบบนี้ไม่เชื่อพระองค์ลองลอ ง, ลองเข้าไปเดี๋ยวนี้ดูนะ <c oughs> ไม่เชื่อพระองค์ลองๆองเข้าไปตอนนี้เดี๋ยวนี้ดูอ่า เ, เอไปจ่าประสิทนธะิโฆษกสนก็เลยลองเข้าไปอไปไอ้ตรงไอ้ตรงที่ล่างเท้าตรงนั้นนางมารีกาก็ขยับออกมาหยุดมายืนดูข้างนอกนั่นน่ะใช่ไหมพระลาชากํลาลังเสพกับแม่แพ้นั่นน่ะไม่พระราชา นี่เพราะตูเพราะโกหกโกหกพระเจ้าปรเสนทิโกศลด้วยแล้วก็ตูพระเจ้าปรเสนทิโกศลด้วยวโ ด, ย, ดยเหตุที่ทำบุญอะสถิตสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงขนาดนั้นก็ตามทาให้นางมาริกาตตายแล้วตกนรกเจวันพออยู่มาอยู่มายมานางมาริกาตาตายตายสวรรคตตาย พอตายแล้วพระเจ้าปเสนที่กสังคิดถึงมากไปเฝ้าพุทธเจ้าทุกวันทุกวันไปตั้งใจว่าจะไปถามเรื่องนางมาริกาตายแล้วไปยังไงไปอยู่ยังไงไปเกิดยังไงอะไรยังไงทุกอย่างลํ า, าลบากสุขสบายอะไรยังไงตอนอ ย, อยู่ตอนอยู่ที่วังก็คิดได้หมดแหละพอไปเฝ้าพุทธเจ้าลืมหมดแล้วหนึ่งหมดเลยวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามจนเจ็วันไม่ได้ถามเพราะในระหว่างเจ็วันนั้นนางมาริกา ตกนรกพระพุทธเจ้าบันดาลบันดาลให้ไหม่ไม่ให้คิดได้ถามได้ได้ตอบหละพอหลังจากเกียบันไปแล้วก็เลยถามทูลทูลถามพระพุทธเจ้าว่านางมริกามีคติเป็นยังไงพระเจ้าค่ะนางมริกานางมริกาไปสวรรค์แล้วก็เลยก็เลยพลอยปลืม้มปลื้มใจยินดีพูดตามนั่นที่คนคนดีขนาดนี้ขนาดนางมริกาขนาดนี้จะไม่ไปสวรรค์ก็ มันก็ไม่มีใครทําความดีเท่ากับนางแล้วแหล ะ, ะพูดตามแหละนี่คือนางมาลิกานี่นางมาลิกาเพราะอะไรเพราะตอนตอนใกล้จะตายไปไปคิดถึงเรื่องกรรมที่ที่ตูพระเจ้าปเสนนิกโกศลพระสวามีเนะี่ยตูด้วยคําว่าตูก็คือแกล้งใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่เห็นไ ม, ไม่ไม่จริงแล้วก็โกหกด้วยไอหมาตัวนั้นมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นจริงๆนั่นแหละ แต่พอเวลาออกมาบอกว่าห้องนี้มันเป็นห้องอาถรรพ์ถ้าใครเข้าไปอยู่ในนั้นน่จะเห็นอะไรแปลกๆอยู่นั่นแหละไม่เชื่อพระ อ, องค์ลองเข้ามาดู <c oughs> <c oughs> อย่าไปเสียนาทีก็สนเข้าไปนั่นนนั่นน่ะประชากํกำลังเสพกับแม่แพ้นั่นว่าหน้าตาเฉยเลยนี่คือใครอาตูกล่าวตูแล้วก็ไอๆคำแรกกับสุนัขนั่นก็นกนคือโกหกเนี่ยทั้งตูทั้งโกหก ในที่สุดก็เลยไปตกนรกเจวันนี่นี่คือเวลาใกล้จะตายมาคิดถึงตรงนี้มาคิดถึงกรรมเล็กๆน้อยๆแค่นี้ก็เลยลงไปนรกก่อนพอครบเจวันก็ถึงไปสวรรค์ได้นี่ท่านพูดถึงจิตนะท่านพูดถึงท่านพูดถึงการเกิดการเกิดตายแล้วไปเกิดใหม่การไปเกิดใหม่ตามคติที่พุทธเจ้าท่านสอนนั้นไปเกิดตามอํานาจกรรมเกิดตามอํานาจกรรม เพราะกรรมมันทําทุกระยะทุกเวลาภาชนะของกรรมก็คือตัณหาอุปาทานที่มีอยู่ในใจของเราเนี่แหละใจของเราก็เลยกลายเป็นภาชนะรับบาตรับกรรมเพราะยังไม่ได้ทําลายที่เก็บคือตัณหาอุปาทานตัณหาเป็นผู้เก็บอุปาทานเป็นผู้เก็บเก็บบาปเก็บกรรมเก็บไว้ที่จิตนั่นแหละแต่ถ้าหากละตัณหาละอุปาทานได้แล้ว ว่าทำลายภายชนะเสร็จสิ้นแล้วกรรมที่ทำลงไปก็ไม่เป็นเหตุให้ไปปฏิสนธิในพบในอัตภาพใหม่ไม่เป็นเหตุให้ไปปฏิสนธิในอัตภาพใหม่เพราะไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานจิตไม่ได้ยึดไม่ได้เกาะไม่ได้ไปเกาะไม่เกี่ยวไปคล้องที่ไหนเพราะฉะนั้นดับก็ดับไปเลยเหมือนกับประทีปดับ มันก็ไฟเทียนดับเพราะดับแล้วมารุษม่รู้ไฟไ ป, ไปอยู่ที่ไหนแต่ระหว่างไฟอยู่ยก็คือสว่างสวยัยแต่เวลาดับไปก็คือมืดอันนี้เราอุปมาแต่ไอความไม่เห็นของไฟที่หายไปไมารุ้ไปไปไหนดับดับไปเลยไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีที่จะไปเกิดอีกนี่คือพุทธเจ้าทันสอนว่าะระหว่างหมดกิเลสตัณหาในหัวใจแล้วตายแล้วไม่ไปเกิดอีกเพราะ หมดที่จะไปเกาะไปเกี่ยวตั้นหาอุปาทานพาเราไปเกาะไปเกี่ยวเพราะฉะนั้นกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยตากมาดนใจเราตอนเวลาเราใกล้จะขาดใจตายเนี่ยหรือไม่เราเทียบเราเทียบกับกรรมไม่ดีก็ได้บางคนทำกรรมไม่ไมดีมาตลอดแต่บางเอิญเขามีกรรมติดกรรมดีติดตัวอยู่บ้าง อพอเวลาใกล้จะตายเขานึกถึงกรรมดีเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆน่ะเขาก็าก็สามารถไปดีก่อนพอไปสวยดีหมดนิดๆหน่อยๆมีกรรมดีไม่มากเท่าที่มีอยู่นั่นแหละพอหมดอันนั้นแล้วก็ถึงไปรับกรรมกรรมกรรมไม่ดีหรือไม่ทําดีมาตลอดแต่ว่าเวลาจะตายแล้วมานึกถึงกรรมไม่ดีนิดหน่อยต้องไปในคติที่ไม่ดีซะก่อนเพราะฉะนั้นที่แน่นอนที่สุดก็คือ ฉันให้ฝึกไว้ฝึกไว้ตั้งแต่อย่างนี้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่เพราะคติของผู้ที่ไม่เห็นสัจธรรมเนี่ยเป็นคติที่ไม่แน่นอนแต่ถ้าเป็นคติของผู้เห็นสัจธรรมแล้วเป็นคติที่แน่นอนเช่นอย่างคติของพระโสดาบันเนี่ยคติของพระโสดาบันจะไม่ไปอบายเด็ดขาดไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นสันรกเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉาน จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่จะตกไปเกิดเป็นบนสวรรค์เทวดาเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นจะไม่ลงอบายจะไม่ไปเป็นสัตว์ดิรัจฉานจะไม่ไปตกนรกนี่คติของพระโสดาบันเป็นผู้ที่มีคติที่แน่นอนคือไม่ไปอบายแต่สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้พระโสดาบันนั้นยังไม่แน่นอนมีโอกาสที่กรรมไม่ดีนิดหน่อยมาแทรกได้ แล้วก็ไปเกาะพ อ, พอไปเกาะกรรมไม่ดีก็พาไปแล้วหรือมีโอกาสที่ว่ากรรมดีมานึกถึงกรรมดีนิดหน่อยอไปเกาะกรรมดีก็ไปสู่พบภูมิที่ดีอยู่บ้างก็จะได้ไปเสวยกรรมชั่วนี่มันแตกต่างกันอยู่อย่างนี้แต่สําหรับผู้หมดตัาหาหมดออกาสทานอ บ, บายก็ไม่ไป สุคติโลกสวรรค์ก็ไม่ไปไปนิพพานไปนิพพานไม่ต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอีกแล้วไม่ต้องไปทุกข์อยู่ในกองวัฏสงสารอีกต่อไปแล้วเพราะไม่มีตัวที่จะพาไปเกิดตัวที่พาไปเกิดก็คือตัวจิตเรานี่แหละเราย้อนมาที่จิตเราเราเห็นจิตของเราไปเกาะอะไรบ้างจิตของเราเนี่ยนี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ตอนนี้มันไปเกาะอะไรบ้าง อารมณ์อะไรอารมณ์แรงๆอารมณ์ที่ชอบใจที่สุดของเขาเนี่ยเขาเขาจะมักจะไปเกาะสิ่งเหล่านั้นแหละไปเกาะสิ่งนั้นไปเกาะสิ่งนี้บางทีก็ปล่อยเรื่อยเปยเกาะไปตามเรื่อยเปืยไปตามเรื่องตามราวสเปสะสปะไปตามเรื่องจิตผู้ที่ไม่ได้ฝึกจิตสเปสะสปะไปตามเรื่องแต่สำหรับผู้ที่เคยฝึกแล้วเนี่ยจะพยายามนำองสติสัมปชัญญะทำความรู้สึกทำความรู้จักจิตของตัวเองตลอดทุกระยะจิต ก็จะไม่ค่อยสเปะสปะเป็นการฝึกฝนอบรมจิตไปในตัวแต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วจิตจะนึกคิดร่องลอยสเปะสปะอุปาทานพาเราไปเกาะตัณหาคือความอยากเป็นตัวพลังเป็นตัวพลังนำไปพาไปตัวตัวอยากเราพยายามสังเกตดูจับดูความอยากเวลาจิตของเราไม่อยู่มันไปนู้นไปนี้มันไปด้วยพลังของอะไระพยายามเช็คดู เช็ครอยทั้งร้อยไปด้วยพลังของความอยากทั้งนั้นนอกจากเราตอบไม่ได้เพราะโมหะมันปิดมันบงังครอบงำสติปัญญาของเราเราตอบไม่ได้ว่ามันไปด้วยเหตุผลกลไกใดเราตอบไม่ได้เราจนแต้มเองแต่ถ้าเรามีสติมีสัมผสยัญญาพิจรารณาตามต้อยต่อยต่อยต่ยอ ย, อ ย, อ ย, อยเราจะรู้ว่ามันไปด้วยพลังของความอยากความอยากภาษาอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าความหิว ความหิวความอยากร่างกายร่างกายหิวร่างกายอยากจิตหิวจิตอยากความหิวของจิตที่มีตันหาก็คือจิตอยากจิตมันอยากอยากอะไรถ้ามันอยากสิ่งเกี่ยวข้องกับกายก็คือมันอยากทานข้าวอยากทานขนมอยากทานผลไม้อยากเที่ยวที่นู่นอยากเที่ยวที่นี่อยากเพลินใจที่นู่นที่นี่ ถ้าเกี่ยวกับร่างกายแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตมันอยู่ไม่สุกเองเนี่ยมันก็น้อมนึกไปถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงสัมผัสนั่นแหละที่มันเคยผ่านประสบพบผ่านมามันหิวมันมันมันหาคินอารมณ์เราพูดง่ายว่าสิ่งเหล่านั้นน่ยคืออารมณ์จิตมันไปหาอารมณ์สิ่งเหล่านั้นเป็นอารมณ์มันหิวอารมณ์จิตมันหิวอารมณ์ความอยากมันหิวอารมณ์ ความอยากมันหิวอารมณ์ทีนี้วิธีทํำไม่ให้มันไม่ให้มันไปตามอารมณ์ทําไงพระพุทธเจ้าท่านให้เราป้อนอาหารให้เขาให้เราเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปพุทโธพุทโธพุทโธหรือไม่ก็ธรรมโมธรรมโมธรรมโมหรือไมก่ก็สังโคสังโคสังโคให้นึกอยู่กับบทธรรมเพราะบทธรรมนี้มันไม่เป็นพิษไม่เป็นภยัยอะไรกับใครทั้งนั้นมีสติมีสัมผชัญญะกํากับ แล้วก็ให้บริกรรมอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธให้เกิดความรู้สึกเกาะอยู่กับคาว่าพุโทโธให้จิตทิ้งทิ้งสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสที่ล่วงไปแล้วตกพลึกประยุทธ่จิตนั่นะที่ท่านเรียกว่าเป็นสัญญาอารมณ์ให้จิตมันทิ้งสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มาอยู่กับอารมณ์ในปัจจุบันเอาอารมณ์ธรรมแท้จริงอารมณ์ธรรมนี่แหละเป็นอาหารของจิต พอเป้อนเข้าไปป้อนเข้าไปเหมือนกับเขาบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปบริโภคเข้าไปบริโภคหนักๆเข้าด้วยเหตุที่เราระมัดระวังไม่กเผลอไม่พลั้งเผลอไปเรื่อยไม่พลั้งเผลอกำหนดจดจ่ออยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตก็จะเริ่มสงบทีแรกเราก็บังคับให้เขาสงบกำหนดจดจ่อบังคับให้เขาอยู่กับอารมณ์อันเดียวพอหนักหนักเข้าด้วยเป็นเหตุด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นอาหารของธรรมอาหารของธรรมก็ บริโภคหนักๆเข้ามากๆเขาก็ทําให้เขารู้สึกอิ่มที่เขาเรียกว่าปีติเกิดความเอิบอิ่มจิตมันอิ่มเพราะจิตมันอิ่มแล้วถึงเราปล่อยเขาก็ไม่ไปเขาก็ไม่วิ่งหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสชาสัมผัสเพราะอะไรเพราะเขาไม่หิวเขาอิ่มที่เขาเรียกว่าปีติมันอิ่มอันนี้คือเมื่อเราทําจิตให้ได้รับความสงบแล้วเราจะต้องได้ประสบพบเห็นมีปีติความเอิบอิ่มในหัวใจ อิ่มอึ้งตึงอยู่นั่นแหละอิ่มกายอิ่มใจนี่คือความอิ่มอิ่มจนไม่หิวข้าวหิวน้ําน่ยอิ่มที่เขาเรียกว่าปีติความเอิบความอิ่มเพราะอารมณ์ในธรรมเพราะอิ่มอารมณ์ในธรรมที่เราให้จิตเขาอยู่เขาบริกรรมนั่นแหละพุทโธพุทโธทุกครั้งให้เราระลึกรู้อยู่ทุกขณะมีสติกำกับระลึกได้ว่าตัวเองบริกรรมพุทโธอยู่ทุกขณะ ไม่ใช่พุโทโธแต่ปากไม่ใช่พุโทโธกระดกกระดิกตาลิ้นนะพุโทโธที่จิตเอาจิตเป็นผู้ว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธจิตจะเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบแล้วก็จิตก็ไม่หิวเนี่จิตมีปีติจิตมีความอิ่มความเอิบถ้าเราทําไปแล้วเราได้ปีติตรงนี้เราพยายามทรงเอาไว้เราพยายามจําเอาไว้เราพยายามรักษาเอาไว้เราพยายามประคับประคองเอาไว้เพราะอันนี้คือความสงบของจิตนะ ในปีตินั่นะมันมีความสุขมันมีความเ อ, อ, อิบอิ่มมันมีความอบอุ่นมันมีความสุขแบบบอกไม่ถูกน ะ, ะมันมีความสุขมากกว่าเรารับทานอาหารสิ่งที่ถูกถูกเลี้นถูกปากมันมีความเอิบอิ่มมันมีความสุขกว่ามันมีความสุขใจกว่าที่เราได้ไปประสบพบเห็นสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นอะไรถูกจริตถูกนิสยัยเป็นที่ชอบใจ สิ่งเหล่านั้นอาศัยสิ่งเหล่านั้นเป็นอามิตรอันนี้ไม่ใช่อามิดอ่ามันเป็นความมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสไม่ไปยุแย่ก่อกวนจิตอ่าคือกิเลสมันแทรกเข้าไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสแล้วก็ไปปั่นจิตนั่นนะ่ะให้จิตวิ่งว่อนไปตามไปตามอำนาจของกิเลสแต่ด้วยเหตุที่กิเลสมันแย่จิตไม่ได้เพราะเราผูกจิตอยู่กับธรรม กิเลสเข้าไปอยู่เยื่อเ ย, อยาก่อควรจิตมาจิตสงบจิตเริ่มสงบจิตเริ่มอิ่มจิตเริ่มสงบในความสงบนั้นมีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบมีความเบิกบานช่ำชื่นเบิกบานเ บ, บากายเบาใจมีความอบอุ่นแบบระบอกไม่ถูกทําให้ให้ประสบพบเห็นด้วยตัวของตัวเราเองนี่คือคือบริโภคธรรมบริโภคบริโภคบริโภ ค, บโ ค, บโภคแบบนี้นี่เขเรียกว่าฝึกจิตฝึกจิต ฝึกจิตให้ได้รับความสงบเราฝึกจิตให้ให้ได้รับความสงบเมื่อเราสงบได้จิตของเราทิ้งกามได้จิตเราออกจากกามได้จิตของเราทิ้งกามได้รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ทำารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นเป็นกามคุณที่ท่านเรียกว่ากามคุณกามคุณจิตของเราไม่สงบเพราะกามคุณมันไปกวนจิตทําให้จิตไม่ได้รับความสงบ เมื่อเราภาวนาจนจิตขอเราสงบอยู่กับอารมณ์เดียวคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธพอเริ่มอิ่มพอเริ่มอิ่มเสร็จแล้วเขาก็อิ่มจนบริกรรมหรือไม่บริกรรมจนทิ้งคำบริกรรมเราไม่บริกรรมพุโทโธพุโทโธจิตก็ไม่ไปไหนมันอิ่มจิตสงบมีสติรู้ระลึกรู้อยู่เห็นแต่ความรู้ความสว่างโลอยู่นั้นมีความสงบดิง่งอยู่ในหัวใจมีความสุข มีความเบามีความปลอดโปรง่ง ม, มันบอกไม่ถูกนี่คือนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่านี่นัตถิสันติปรังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขอื่นยิ่งไปกว่าเมื่อจิตเราสงบแล้วท่านาให้พิจารณาเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเราก็หลง โ, โมหะ ความหลงอวิชาความไม่รอบความไม่รู้โมหะความลุ่มหลงอวิชาสวะกามาสวะอวิชาสวะภวาสวะอสวะทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันดองอยู่ในจิตของเราอาวิชาสวะก็คือความหลงนี่แหละภาวาสวะคือคือตัวตันหามันมันพาไปยึดมั่นถึงมันด้วยปานฐานไปเกาะที่เรียกว่าภวาสวะพบมันไปเกาะพบ คำว่าพบก็คือสภาพของจิตของเรามันเปลี่ยนสถานะของตัวเองจากเท่านั้นไปเป็นนั้นจากเท่านั้นไปเป็นนั้นจากเท่านั้นไปเป็นนั้นที่เรียกว่าพบพมันเปลี่ยนสถานะของของตัวเองที่เรียกว่าจิตมันไปเกาะไปเกาะแล้วมันจะเปลี่ยนไปตามนั้นเป็นตันหาเป็นอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดพบพบเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเราจะต้องไปเกิดในพบที่เรามีแล้ว พอเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตายมีวิโยคมีพัดพลาดมีทุกข์ระทมตรมตรองใจเหี่ยวแห้งใจโศกโศกาอาดูลหัวใจความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันมาเป็นเส้นเป็นสายเป็นพรวนเหมือนระลอกน้ําเป็นระลอกระลอกตีเข้าหาฝั่งตีไปกระทบฝั่งแล้วก็หายไปตีกระทบฝั่งแล้วก็หายไป เขาหายไปก็ไม่หายไปไหนก็หายไปหายไปกองอยู่ที่จิตนั่นแหละสัญญาอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงกิเลสทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายในจิตมันก็เป็นวิบากกรรมของมันมันก็ไปเกาะไปกองอยู่ที่จิตนั่นแหละหายไปก็ไปกองอยู่ที่จิตหายไปก็ไปกองอยู่ที่จิตเพราะฉะนั้นเราทําดีก็เป็นการสังสมดีเอาดีไปกองไว้ที่จิตเราทําไม่ดีก็เป็นการสังสมไม่ดีเอาไม่ดีไปกองไว้ที่จิตอ่า เราเอาอะไรไปกองไว้มากเราก็มีโอกาสที่จะไปสวยสิ่งเหล่านั้นตามภพตามภูมิตามอัตภาพที่เราควรได้เพราะฉะนั้นจิตที่ไม่ได้ฝึกจึงเป็นจิตที่หน้าวหวาดกลัวต่อการที่จะนึกร่านตอนที่เราจะออกจากร่างตอนที่จิตใกล้จะตายอ่ะไปเกาะ น, น, นู้นเกาะนี้เกาะสเปสะปะเกาะเป็ดก็ไปเป็นเป็ดเกาะไก่ไก็ไปเป็นไก่เกาะสุนัข ก, ก็ไปเป็นสุนัขนาะเกาะ ช้างเกาะม้าเกาะวัวเกาะควายก็ไปเป็นสิ่งเหล่านั้นนะอเกาะเขียดเกาะกับแก่เกาะหนูเกาะอะไรก็ไปไปเป็นอันนั้นนะอ่ก็เหมือนอย่างที่ท่านพูดถึงว่างูเฝ้าทซั์เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นหนูเฝ้าทรัพย์เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะพวกนี้ตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์นั่นแหละมีซับแล้วไปฝังทิ้งเอาไว้พอเวลาใกล้จะตายก็หวงทรัพย์ พอหวงรับจิตมันก็ไปเกาะทรัพย์แต่ไอตัวจิตมันจะไปเกิดเป็นทรัพย์ไม่ได้มันก็ก็จิตมันเป็นสิ่งที่มีมีมีวิญญาณเป็นวิญญาณครองมันก็ไปเกาะไอสิ่งที่มีวิญญาณเช่นอะไรล่ะเช่นกัปแกลอยู่ข้างๆแถวนั้นหนูอยู่ข้างๆแถวนั้นห้อยอยู่ข้างๆแถวนั้นะมันก็ไปเกาะสิ่งเหล่านั้นะเพื่อที่จะได้อยู่ครองทรัพย์เหล่านั้นไปเป็นหนูเป็นกัปแกลเป็นงูเงี้ยนี่ที่โบราณนั้นพูดเอาไว้ไม่ผิดนะ นั่นไม่ผิดนะงูงจริงๆนี่แหละหนูจริงๆนี่แหละแต่เขาเกี่ยวข้องกับซับที่เขาฝังเอาไวนะ้เกี่ยวข้องกับซับที่เขาฝังเอาไว้ก็เหมือนอย่างโตทยพรามฝังซั์เอาไว้หลังบ้านนั่นแหล ะ, ะเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เคยทําบุญเลยพอตายแล้วก็ไปเป็นลูกสุนัขในบ้านนั่นแหละเป็นลูกสุนัขในบ้านปกติพระิเจ้าท่านไปบินฑบาตผ่านหน้าบ้านไปจํา อนอกจากไม่ใส่บาตรแล้วยังดายตั้งหากา น, นี้พอพอตายไปไปเป็นลูกสุนัขไปเป็นลูกสุนัขสาเหตุที่ไปเป็นลูกสุนัข ก, ก็เพราะอะไรก็เพราะหึงห่วงทรัพย์ที่ฝังไว้ข้างหลังบ้านนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้บอกลูกนะลูกก็ไมร่รู้เอาไว้ฝังไหนไม่ได้บอกพอลูกสุนัขเริ่มโตขึ้นมาพุทธเจ้าไปบิณทบาทบินธบาทก็หอนเห่าหอนเป็นก็ไปเห่าพระุทธเจ้านัรนพุทธเจ้าทำเห็นท่านรู้เนี่ย โอ้โทททยาพราบตายแล้วมักเป็นลูกสุนัขอยู่ในบ้านของตัวเองนี่เป็นหมาโทนเป็นหมาตัวผู้ตัวเดียวอะก็เลยโอ้โหททยาพราบฮะสมัยเป็นมนุษย์อยู่ก็ดา่าเราตายมาเป็นสุนัขแล้วก็มาห่าหอนเราเหมือนเดิมอย่างนั้นหะมาลูกหมาตัวนั้นมันฟังมันรู้เรื่องหูตกหูตกเลยเจ็บใข้ได้ป่วยตั้งแต่วันนั้นมาเลยไม่กินข้าวไม่กินน้าหมาตัวนี้นะ ทนี้ไอ้ผู้ที่เป็นลูกชายโตทยมานพ์ลูกชายของโตทยพรามเนี่ยเอ๊ะหมาตัวนี้ไม่กินข้าวเป็นอะไรเจ็บป่วยอะไรยังไงเลยถามคนใช้ไอ้คนใช้มันก็เลยได้ยินวันนั้นอะว่าพระสมณะโคดมเนี่ยพระทีเจ้าได้พูดกับหมาตัวนี้อย่างางีง้ว่าโตทยพรามนะเป็นมาเป็นสุนัขและมหาวชนเราเหมือนเหมือนเหมือนยังมีชีวิตอยู่ตอนเป็นมนุษย์พอตัวโตทยมานพ์เขาได้ยินแค่นั้นแหละเขา เครียดมากเลยครับว่าพ่อเขาตายไปไปเป็นหมาเลยเครียดวิ่งไปที่พุทธเจ้าแนละ้ววิ่งไปที่วัดนั่นแหละ ว, ว่าจะไปตอว่าพุทธเจ้าให้เจ็บเจ็บแสบแสบนะ่ะว่าดูถูกตัวเองว่าพ่อตัวเองตายแล้วไปแล้วไปเป็นหมาพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเธอไม่ต้องเชื่อเราดอกไม่ต้องเชื่อเราแต่ขอให้เธอทำทำตามนี้ลองดูนะให้เธอทํำทำทำตามนี้ลองดูว่าลูกสุนัขตัวนี้จะเป็นโททยบพราหมหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ให้เธอทําตามเราเสร็จแล้วผลจะออกมาอย่างไงให้เธอเธอจะรู้เองอให้ให้เอาลูกหมาตัวนี้ไปอาบน้ําเช็ดตัวให้ดีเรียบร้อยแล้วให้เ้านอนในที่นุม่มๆมีผ้ามีอะไรก็ปกไว้ให้เขานอนให้ดีพอรู้สึกว่าเขาเคลิ้มๆใกล้ๆจะหลับ ใ, ใ, ให้ไปกระซิบที่หูพ่อพ่อซับพ่อฝังซับไว้ที่ไหนซับที่พ่อฝังไว้ฟังไว้ที่ไหน ถ้าเป็นโทตยพราบแลก็จะลุกปุป๊บปั๊บไปแล้วไปตะกุยตรงไหนก็เธอไปขุดได้เลยเนยี่ยพุทธิจาท่านเนี่ยก็เลยไปทํางนั้นจริงๆล่ะลูกสนั่งก็วิ่งไปหล้างบ้านน่ะแหละไปตะกุยตะกุยตะกุยไปขุดตรงไห น, นเจอแต่หายซับปิบรพัพย์เต็มไปหมดอราฝังอยู่ในนั้นเนี่ไม่ต้องเชื่อแต่ให้ทําตามที่ท่นนนนานแนะนะำก็เจอจริงๆกันโอ้เลยลงใจแล้วโอ้ลูกสนั่งตัวนี้เป็นพ่อของเราจริงๆ ทำไมถึงไมเป็นสุนกัก็เพราะว่าห่วงทรัพย์นั่นแหละในสุดลูกเลยกลายเป็นเป็นผู้ที่เห็นบุญเห็นคุณของผู้ทีเจ้าเอาทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มาจับจ่ายใช้สวยทําบุญให้ทานมากลายเป็นคนมีสัมมาทิฏฐิได้ทาบุญได้ให้ทานพ่อนะสแสวงหามาแล้วก็ไปฝังทิ้งเอาไว้ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากทรัพย์อันนี้คือกติของจิตนะจิตมันละเอียดนะมันเกาะ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกฝนอบรมเอาไว้เวลาใกล้จะตายเวลาใกล้จะตายวัดก็ไม่เคยสนใจทาบุญให้ฐานก็สนใจก็น้อยเคยไปหาแต่ปูปลาหอยเอกอ๋อบริกรรมอะรหังนะออรหังอรหังอร ห, หอยอะรหอยอรหอยเคยหาแต่หอย <c oughs> เราวังใหดีนะโตอ่า <laughs> เราหอยเหอยตายไปแล้วก็ไปเป็นหอยนั่นแหละเพราะอะไรเพราะไปหาหอยนี่คือความละเอียดของจิตเราดูที่เรานั่งอยู่มันไปไหนไ ป, ไปไหนไปเกาะไหนไปเกาะ อ, อะไรบ้างจิตของเราเที่เรามาอยู่วัดนี่เรามาฝึกจิตนะให้จิตของเราสงบสงบแล้วก็พิจรารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองเดี๋ยวนี้เราหลงยึดหลงถือหลงเกาะมี ผัวเกาะผัวมีลูกก็เกาะลูกมีเมียก็เกาะเมียมีทรัพย์ก็เกาะทรัพย์มีรถก็เกาะรถมีอะไรก็เกาะ น, นั่นน่ะจิตมันเกาะมันยึดยึดที่เรียว่าอุปาทานมันยึดเอามันยึดเอามันยึดไปหมดมันเกาะไปหมดนะ่ะสาเหตุที่ยึดสาเหตุที่เกาะเพราะอะไรเพราะหลงหลงเกาะหลงยึดไม่ทราบตามความเป็นจริงว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรสมควรจะจัจดการอะไรยังไงไม่มีสติไม่มีปัญญา ที่จะรู้เรื่องของหลักสักจธรรมครูบาอาจารย์ท่านให้ภาวนาให้จิตสงบเสร็จแล้วก็ค่อยมาพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของตัวเองตัวนี้สาคัญมากถ้าเราทำลายความหลงของตัวเองไม่ได้เราจะเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้เราจะเห็นสัจธรรมไม่ได้เราจะต้องมาพิจารณาให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจอันนี้แหละ เอาความสงบเอาจิตที่สงบนั่นแหละมาพิจารณาพุทธเจ้าท่านสอนว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราท่านสอนให้พิจารณาว่ากายนี้ประกอบไปด้วยธาตุา ด, ดินธาต้น้ำธาตุลมธาตุไฟใหร้ระมัดพิจารณาดูไอ้ที่แข็งแข็งเนี่ยเป็นธาตุดินเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังดูให้มันเป็นดินจริงๆริงที่เป็นน้ําก็เ อ, อบิบอาบซึมซาบน้ําเงือน้ําไข่น้ํา ลายน้ํามุดนี่เป็นน้ำถ่านน้ำถ่านลมลมพัดขึ้นพัดลงลมหายใจเข้าหายใจออกลมในท้องในไส่ถ่านไฟก็คืออบอุ่นในกายสิ่งเหล่านี้มีพร้อมหมดอยู่ในกายของเราแต่ว่าหากธาตุทั้งสี่มันมาเกาะกลุ่มกันด้วยอํานาจของกรรมต่างหากจะให้พิจรารณาให้เห็นเพื่อที่จิตของเรามันจะไม่เกาะกายมันจะไม่ยึดกายแม้มันยึด โอ้ยงามเหลือเกินผ่องเหลือเกินนะยินดีชอบใจมันไปจากหลงของตัวเองแล้วก็ไปหลงของคนอื่นเราก็เลยอยู่ด้วยการหลงหลงกันไปหลงกันมาอยู่นี่แหละเพราะเราไม่รู้จริงหลงก็เรียวหลงยึดหลงถือเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วเราก็ไม่หลงเพราะเมื่อไม่หลงเราก็สักเทวาอาศัยเกี่ยวข้องกับร่างกายนี้เราก็สักเทวะี่อาศัยร่างกายนี้ อาศัยร่างกายนี้เหมือนเรือเหมือนแพอาศัยร่างกายนี้เหมือนซากศพเกาะซากศพลอยข้ามกระแสน้ําเหมือนเรือเหมือนแพพอข้ามกระแสน้ําเห็นทุกเห็นเท่าเห็นภัยจริงๆแล้วไม่ยึดไม่เกาะถึงฝั่งแล้วก็ไม่ยึดไม่เกาะโดดขึ้นฝั่งพระอริยเจ้าท่านอาศัยพิจารณากายพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือพิจารณาขันทั้ง5 เหมือนเราอาศัยเกาะเรือเกาะแพข้ามลําน้ําไปจากฝั่งนี้ไปถึงฝั่งน้นพอไปถึงแล้วก็ทิ้งเรือทิ้งแพโดดขึ้นฝั่งแล้วก็ทิ้งทิ้งเรือทิ้งแพไม่เกาะเรือไม่เกาะแพเนี่ยในระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอาศัยเขาก็อาศัยเหมือนเราเกาะเรือเกาะแพนี่เองไม่ใช่เห็นโทษนะไม่ใช่เออร่างกายนี้เป็นทุกข์แล้วเกินเป็นโทษแล้วเกินแล้วไปเอาเชือกมัดคอเขาอีกโอ้ยอันนี้ยิ่งทุกข์หนักอีกแล้วนะ เอาอยาพิษใส่เขาอีกโดดน้ำตายยิงตัวตายเนี่ยยิ่งทุกข์เติมเข้าไปอีกนั่นแหละเข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิมากกว่าธรรมดาอีกมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดสําคัญผิดถ้ามองเห็นว่าเออศักดิ์ทว่าเป็นเสียงที่เราอาศัยเป็นดินน้ํำลมไฟเราก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างมาอย่างไหมันเป็นของของพ่อของแม่พ่อแม่ประกอบกันสร็จแล้วก็เป็นโครงสร้างของเราออกมา อยู่ในท้องแม่แม่ดูแลรักษาหมดดูดเลือดดูดเนื้อดูอะไรของแม่นะธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยดูดเข้าไปเลี้ยงตัวเองจนโตเจ็ดปดเก้าเดือนสิบเดือนก็ออกมาออกมาแล้วก็ตัดสายรกตัดสายรกแล้วก็เอาเข้าปากเองเลยทันทีหายใจเอาเองอยู่ในท้องหายใจเอาจากแม่พอออกมาข้างนอกเลยหายใจเอาเองด้วยใส่น้ําใส่เข้าปลาอาหารใส่เข้าไปเองอื ตอนเล็กยังไม่รู้เรียงสาภาวะพ่อแม่ใส่เข้าไปป้อนเข้าไปเข้าป้อนน้ำนมใส่เข้าไปป้อนเข้าไปพอโตมารู้เดียงสาภาวะมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่กับตัวเราโลของเราตัวของเรายึดมั่นถือมั่นด้วยสำคัญมั่นหมายยึดผิดถือผิดสำคัญผิดเข้าใจผิดก็ยึดอยู่อย่างนี้แหละความทุกข์ทลายทั้งปวงก็ตามมาทับถมหัวจิตหัวใจของเราอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นนี่มีประโยชน์อยู่อย่างนี้พระศาสนาและก็ศาสนธรรม ก็เหมือนอย่างที่เราพูดถึงวิทยุที่หลวงตาท่านพยายามเอาธรรมะปาณาเทศท่านเอาธรรมะปาบท่านพูดถึงเรื่องปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุก พ, พ้นโทษนี่แหละท่านเอ า, าเทศมาบอกมาสอนอาศัยว่าวิทยุเนี่ยเป็นกระบอกช่วยกระจายไปได้อย่างรวดเร็วทั่วประเทศเพื่ดียวเพื่อเดีย ว, ดดยวทําให้คนได้บริโภคใช้สอยอย่างทั่วถึง พอมาถึงตัวนี้เขาก็จะตัดกําลังเราลงจะตัดเสาเราลงเราก็เห็นว่ามันขวางทางขวางทำการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เขาคิดไม่ออกเขาคิดไม่ได้ดอกเพราะเขาทาด้วยความหลงด้วยความรุ่มหลงหลงราบหลงราบหลงราบก็คือหลงทรับนั่นแหละหลงยศหลงเกียรติหลงราบหลงยศหลงเกียรติพอมีลาบมากมากก็ถือว่าเป็นยศ พอมีลาบมากๆก็ถือว่ามีเกียรติก็เลยเลยกลายเป็นว่ามียศมีเกียรติอืเขาเห็นลาบเป็นเรื่องใหญ่เขาไม่ได้เห็นเรื่องสัจจะเป็นเรื่องใหญ่อเขาไม่ได้เห็นเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นข่าวเป็นสื่อที่จะมาบริโภคธรรมะเข้าสู่หัวใจเขาไม่ได้เห็นความสําคัญอย่างนี้อลไรเราก็ต้องการของเราไปอย่างนี้ เขาก็ต้องการของเราของเขาไปอย่างนั้นโลกกับธรรมก็เลยสวนกันอยู่อย่างนี้ตลอดกับตลอดกันโอกาสที่จะไปด้วยกันเนี่ยไปได้ยากมันต้องหนักข้างในข้างหนึ่งผูไปทางโลกกไปแต่โลกอย่างเดียวเนี่ยผู้มาทางธรรมเห็นโทษเห็นภั ย, ยจริงๆมาตั้งธรรมอย่างเดียวในทะสุดก็หันหลังให้กันหละทีนี้ไม่สวนกันหละต่างคนต่างไปมันก็มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ไม่หมดไม่จบพวกเราได้ยินได้ฟังอยู่บ้างอ่าเอา ธรรมะที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาผู้ทําลายความหลงของตัวเองอย่างน้อยๆได้รับความสงบความสุขแล้วก็รักษาคติของเราให้ดีเวลาใกล้จะตายการจะรักษาได้ดีจะต้องรักษาไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไปฝึกเอาตอนนั้นเลยฝึกไม่เป็นฝึกไม่ได้เพราะมันไม่เฉ็บนิชํานาญเราฝึกไปตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้พุทโธพุทโธพุทโธเดินพุทโธยืนพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธจนหลับ ตื่นหนใหม่พุโทโธพุโทโธพุโทโธมีสติรักษาตัวเองตลอดแบบนี้เอาตัวรอด เ, อเวลาใกล้จะตายไม่ต้องห่วงว่าจะไปอบายแหละพอเราฝึกฝนอบรมแล้วดีไม่ดีเราถึงขั้นถึงภูมิถึงอัดถึงธรรมเราก็สบายไปได้เป็นผู้คล้าคล่ำคลึง ใกล้ต่าความเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระโสดาบันพระสกีทาคาพระอนาคาเงี้ยเราก็ทีบตัวไปได้สูงเห็นทุกเห็นโทษเห็นภยันยเต็มที่พ้นตั้งแต่อัตภาพที่เป็นอยู่นี้เหมือนลุงตาเนี่ตั้งสบายแล้วความทุกข์เท่าเม็ดหินเม็ดทรายไม่เคยผ่านหัวใจของท่านเลยตั้งแต่วินาทีนะั้นเป็นต้นไปกับไอพวกเราแบบแต่กองทุกอยู่ทุกวิตกทุกกังวล คิดข้างหน้าคิดขั้นข้างหลังห่วงอันนั้นจะได้ห่วงอันนี้จะเสียอันนั้นจะหลุดอันนี้จะหายอันนั้นจะดูอันนี้จะว่าสารพัดห่วงกังวลอันนั้นจะหมดอันนั้นจะสิ้นอันนี้จะเปลืองอันนั้นจะขาดตกบกพร่องมันกัดีไม่เท่าเขาไม่เหมือนเขาอันนั้นก็ไม่มีเหมือนเขาอันนั้นก็ขาดอันนี้ก็เคินสารพัดที่มันพานึกคิดเอาทุกมาทับถมตัวเองมันไม่เคยคิดถึงเรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องของกิเลสให้เรามาศึกษาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญโดยธรรมอ่าเอวเอาละวันนี้